ในวันนี้จะได้บรรยายถึงเหตุการณ์หลังพุทธปริมิพานแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในสมัยพุทธปริมิพา น, นารายละเอียดขณาจะไปสแสวงหาได้จากข้อความทั่วทั่วไปในสมายปิยดกเท่าที่บรรยายไปแล้วก็เป็นเพียงแต่กรุูสาระสำคัญในพุทธศาสนาให้ฟังในรูปทีว่าพุทธศาสนานั้นแตกต่างกับศาสนาดั้งเดิมในอินเดีย โดยที่พระพุทธเจา้าใช้วิธีการสประการคือวิธีการที่เรียกว่าปฏิรูปปฏิวัติแล้วก็ทรงบัญญตัติทัศน์ธรรมขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะจะได้บรรยายถึงเหตุการณ์ของสังฆมณฑลหลังพุทธภพกริีผ่านไปแล้วก่อนที่จะเข้าถึงประเด็นในข้อนี้ก็ต้องทราบทราบถึงความเป็นไปในปีสุดท้ายของพระชนชีพของพระบรมศาสดาเสียก่อนเพราะเหตุการณ์ในปีสุดท้ายของพระชนอาชีพนั้น มีผลสะท้อนอย่างใหญ่หลวงต่อประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในการต่อมาคือว่าเริ่มต้นในประเด็นข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตั้งพระมหาเถระรูปใดรูปหนึ่งให้เป็นาศาสดาควบคุมการปกครองคณะสงฆ์แทนพระองค์โดยที่ให้ยึดเอาพระธรรมวินัยนั่นเป็นสาวาดาแทนพระองค์สืบต่อไปอมูลเหตุที่ไม่ทรงชี้ไปที่ตัวบุคคลนั้นก็นเพราะ มีอนาคงมีอานาคตังสยานเห็นว่าเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้ถ้าเอาชะตากรรมของภาษศาสนาไปฝากไว้กับตัวบุคคลแล้วถ้าในการการานการที่ล่วงผ่านพ้นไปเมื่อพระอริยะบุคคลหมดหมดตัวลงมีแต่สงฆ์บูรพชนเป็นใหญ่เรื่องการแข่งแย่งตําแหน่งอํานาจในการที่จะเป็นผู้บริหารกิตภาษาศาสน า, าจะเกิดขึ้นอันนี้จะทําให้เราเห็นสัญญาคุณของภาษาพรา ที่พระองค์ไม่ฝากเอาศาสนาไว้กับตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลเป็นเปลี่ยนแปลงได้แต่ตัวศาสนานั้นไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไปฝากไว้กับตัวบุคคลแล้วก็เท่ากับว่าถ้าตัวบุคคลเกิดเปลี่ยนแปลงลงตัวบุคคลนั้นอาจจะขาดร้างธรรมวินัยที่พระองค์บัญญัติหรือว่าบัญญัติในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติเป็นรุ่นพระธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นก็ได้เท่ากับว่าพระองค์ไปให้อํานาจับคนคนก็ทําได้อะไรได้ตามอําเภอใจแต่นี่พระศาสนาไม่ทรงกระทําอย่างนั้น อันนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประวัติาาศาสนาอื่นๆแล้วาศาสนาใดาที่มอบอํนนานาจก็จะตัวบุคคลาศาสนานั้นจะต้องมีเรื่องแก่งแย่งตําแหน่งอํานาจหน้าที่เช่นว่าในาศาสนาโรมันคาทอลิกของาศาสนาทริเตียนเขาตําแหน่งโป๊กหรือสันตปาปาเขานะ่ะในเมื่อเป็นตอนเป็นคนแรกที่เอ า, าศาสนาคริสต์ไปตั้งมั่นในกรุงโรมต่อมาก็บรรดาสาวกที่ต่อจากเป็นตอนมาก็อ้างตัวว่าเป็นผู้ที่ สือปัญชาของพระเจ้าด้วยตัวของเขาเองและตาแหน่งโป๊มนี่แหละต่อมาก็าถึจะวิ่งเต้นคอร์รัปชันซื้อขายตําแหน่งกันโกุลาหุนวุ่นวายในขิ้นจักรของโรงมันคาทอลิกขเขาถึงขนาดผู้หญิงเองก็ติดสินบนวิ่งเต้นอยากขอสมัครเป็นโป๊ิดดูเถอะผู้หญิงแท้ายๆวิ่งเต้นอยากจะเป็นสังฆราชนิกายโรมันคาทอลิกบา้าเด็กอายุดเจ็ดขวบเนื่องจากพ่อติดสินบนพวกฆราชาคณะในนิกายโรมันคาทอลิกว่ายอย่างสูง เด็กอายุเจ็ดขวบก็ได้รับเลือดให้เป็นโตอย่างนี้ก็มีความเสื่อมเสียก็เกิดขึ้นมีความเลอะเทื่อเป้ดกระทั่งโรมาตินลูเธอร์ต้องปฏิวัติโดยการแยกนิกายใหม่นี่ว่านิกายโปรเตสแตนต์อันเป็นนิกายคัดค้านนิกายละมันคัทอดเพราะเห็นความเหลวแหลกเสื่อมโทมในวงการบริหารของคณะบาทหลวงในนิกายละมันคัดทอดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพุทธศาสนาไปทําตามอย่างหรือว่าพระพุทธเจ้าเคยมอบอำนาจศาสนาไว้กับสาวุคองใดองค์หนึ่ง แน่นอนละในสมัยต้นๆพี่ยังมีพระ อ, อริยะบุคคลอยู่ไอ้ปัญหาการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งการคอร์รัปชันตําแหน่งกั น, น, น, ก, นก็คงจะไม่มีแต่ใครเลยจะรับประกันว่าเมื่อหมดสมัยพระ อ, อริยบุคคลแล้วบุคชลสงเป็นใหญ่ขึ้นแล้วเรื่องวิ่งเต้นแย่งอํานาจแย่งตาแหน่งทํานไมจะมีไม่ได้ไมีได้แน่นอนเพราะว่ากิเลสอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้ก็มีมีได้ที่นั่นอันนี้แหละครับ ทำให้เราล่วงสายพระปัญญาคุณของพระบรมศาสดาของเราว่าพระองค์ท่านเล็งการไกลมุ่งพระอานนท์เทระเจ้ามาทูลถามถึงผู้แทนพระองค์มุ่งผู้องค์ล่วงลับไปแล้วพระองค์จึงชี้ไปเอาที่ธรรมวินัยที่พระองค์บัญญัติเป็นศาสดาเมื่อที่ถือเอาธรรมวินัยเป็นศาสดาแล้วก็ตกลงว่าการตัดสินข้อความทุกอย่างหรือการบริหารทุกอย่างต้องอาศัยพระวินัยกับปาพจนทั้งหมดที่พระองค์แสดงไว้เป็นหลัก ข้ากับพระองค์มีพระชนชีพอยู่นั่นเองอยู่ควบคุมสาวกโดยทรงอยู่ด้วยพระธรรมกายไม่ใช่อยู่ด้วยพระรูปกายประเด็นในปัญหาข้อนี้ทั้งทั้งที่ในสมัยที่พระพุทธเจ้านิพพานมีพระอรหันตัดอรหันตสาวกที่เช่นเป็นชั้นผู้ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่กันหลายท่านอาทิเช่นพระขวัมปติพระมหากจสปะพระอุบาลีพระอุปวานะพระมหาัจายะณะพระอนนุ์ แล้วก็พระอนุรุทพระกุมารกัจจปะพระมหาสาวกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมเสนาที่เป็นกําลังต่อพระศาสนาทั้งๆที่มีอยู่ถึงขนาดนี้พระบรมครูยังไม่มอบหมายให้พระสาวกรูปใดรูปหนึ่งเหล่านี้เป็นผู้แทนพระองค์อันนี้ก็เราจะเห็นเจตนารม์ของพุทธศาสนาแท้ๆว่าหลักการนทางพุทธศาสนาเหล่านั้นคือหลักธรรมาธิประายเป็นใหญ่ไม่ถือหลักอัตตาธิปไตยหรือโลกาทิปไตยเป็นใหญ่ อีกข้อประเด็นปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องที่พระอา น, นุ์ภูลถามพระศ า, าสดากรณีหลายเรื่องเหมือนกันนี่อยู่เรื่องหนึ่งที่พระองค์ตรรพขึ้นเองว่าดูก่อนอานนุ์ถ้าสงต้องการพึงถอนสิขาบทเล็กน้อยได้ในการที่เราร่วมรับร่วมรับไปปาปุชข้อนี้สําคัญนักหนาะที่เป็นเหตุให้เกิดมหายานทีนยานในการภายหลังก็เกิดจากปาปดข้อนี้แหละเนี่ยเมื่อกลับมีพระตำรับเช่นนี้แล้ว พระอนนรานนท์เถระเจ้าก็ไม่ได้ทูลถามต่อไปว่าสิขาบทเล็กน้อยที่พระองค์หมายถึงน่ะได้แก่สิขาบทประเภทไหนเพราะฉะนั้นในการที่พระพุทธเจ้านิพพานลงคณะสงส่วนใหญ่ในพระเทศอินเดียครั้งนั้นน่ะไม่ได้ทราบการั่วถึงหรอกครับที่ทราบการส่วนมากก็เป็นคณะสงฆ์ในภาคตะวันออกคือแถวแถวภาคตะวันออกของมคตแล้วก็แถวเมืองปาวากุสินาราเวสาลีบริเวณบ้านเมืองเหล่านี้ทราบขาบ่าวพุทธประิฐนิพพานอย่างรวดเร็วเพราะว่าใกล้ชิดกัน ส่วนแฟนควนที่กลายออกไปอย่างอุเฉนีท่านมห า, าจาัจยนานาะณ์นะแม้แต่ปทุมมสังขายนายังไม่ได้ระบุชื่อท่านทูตดำสงสัยว่าท่านจะมาเข้าประชุมปทุมมสังขายนาหรือเปล่าหรือว่าจะมาไม่ทันเพราะว่าการคมนาคมครั้งนั้นนะ่ะกว่าจะข่าวพุทธประเสริฐพานไปถึงแว้นอุเฉนีซึ่งเป็นแคว้นปลายแดนของมัธยมประเทศในภาคตะวันตกก็คงกินเวลาเดือนเดือนแล้วกว่าจะท่านมห า, าจัจยานาจะเดินทางมาที่ราชครึ่งก็อาจจะเปนอินเวลาเป็นเดือนเดือน เพราะฉะนั้นน่าสงสัยอยู่ว่าท่านทูนี้บางทีจะไม่ได้เข้าประชุมประถมอสงคายนากรมันเพราะว่าที่ประชุมปรถมถมอสงคายนารู้สึกว่าทํากันอย่างรวดระบ้องการทําอย่างรวดเร็วและคิดดูสิว่าวันเพ็ญเดือนหกเาร์ศาสดาดับขันพอเข้าพรรษาก็ริ่มประชุมแล้วเดือนหกเพรรษาห่ า, หางกันกี่เดือนนักเฉี่ยวถ้าพระที่อยู่ท้องถิ่นห่างไกลออกไปกว่าข่าวจะไปถึงกว่าจะเดินทางมาไม่ทันเข้าประชุมแนะ่ เพราะฉะนั้นพระมหาจักรศพซึ่งโดยอายุโดยตําแหน่งก็ถูกอุปโลงขึ้นมาเป็นประทานสงฆ์ทั้งนิตินัยทั้งคตินัยเพราะเหตุที่พระมหาจักรศนั้นมีเวลานั้นมีพรรษาสูงสุดกว่าพระมหาสาวกองอื่นๆประการหนึ่งก็เพราะว่าท่านเองีด้รับยกย่องจากพระบรมครูว่าถ้าแม้นพระกัตถะไม่พบเราหรือเกิดในสมัยที่ไม่มีสัมมาสัพขารเจ้ามาอุบัติแล้ว มหาจตตาปะก็จะบรรลุเป็นปัจเจกภูติพุทธเจ้ามลมีของพระมหาจตตาปะน่ะแก่รอบเหลือเกินทาให้พวกพระพุทธเจ้านะท่านส้องเป็นปัจเจกภูติพุทธเจ้าแน่นอนแล้วเมื่อได้เป็นพระอรหันตสาวกแล้วพระาศาสดาก็ยกย่องว่าในบรรดารสาวกทั้งกวงพระองค์อ่ะในทางอภิญญาสมาบัติแล้วมหาจตตาปะนี่เท่าเทียมพระองค์ทุกอย่างพระองค์จํมลงหวังในการเข้าฌานสมาบัติขั้นใดอยู่ได้นานเท่าใดมหาจตตาปะก็จํมลงหวังเข้าได้นานเท่านั้นอยู่ได้โดยการเท่านั้น สเสมอกับพระองค์ไม่มีผิดไม่มีแปลกเลยนี่เป็นข้อที่ทรงยกย่องพระมหากระสมากว่ามีคุณสมบัติในทางจิตเสมอกับพระองค์โดยตรงทีเดียวถึงกับพระองค์ได้แลกเปลี่ยนผ้าทั้งคติคมกับพระมหากรกสมนี่เป็นการให้เกียรติพระมหากระสมอย่างใหญ่หลวงเท่ากับเป็นการประกาศตําแหน่งพระมหากระสมโดยปริยายว่าถ่าพระองค์มีทานแล้วท่านผู้นี้แหละจะเป็นประธานควบคุมบริหารคณะสงฆ์ต่อไป โดยพื้นตินัยนะครับดูนี่ตินัยพระองค์ไม่แต่งตั้งใครละแต่ดูพื้นตินายการที่พระองค์ทรงให้ยกย่องให้อำนาจแล้วก็แลกเปลี่ยนสังกาดตีครองกับท่านผู้นี้อย่างนี้นะ่ะไม่เคยยกย่องแม้กระทั่งพระสารีบุตรพรมุขลานะยังไม่เคยได้รับการให้เกียรติจากข้าพระรมครูถึงขนาดข้ามหารัตตปาเลยอันนี้ก็ควรที่จะรับรู้ไว้ประการ์นเพราะฉะนั้นเมื่อนิพพานองพระมหากษตริยรีดประกาศเป็นอาญาสิทธิ์ออกมา บอกว่าให้พรอเดือนข่าวพรรษาให้คณะสงฆ์ทั้งหมดที่รู้เห็นเหตุการณ์ในบนในรอบรอบเมืองกุสิณาราทิรู้นี่แหละไปชุมนุมพร้อมกันที่เมืงองราชเจริญแล้วก็มีกฎเกณฑ์เลือกคุณลบนบัติผู้เข้าประชุมว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยจะต้องเป็นเจโตวิมุตตุคคลด้วยถ้าเป็นสุขัง ต, ตักก็ห้ามเข้าประชุมแม้เป็นอรหันต์ก็ห้ามต้องเป็นเจโตวิมุตตุคคลเพราะฉะนั้นจํานวนพระที่ไม่ได้เข้าประชุมน่ะมีเยอะจํานวนพระที่เข้าประชุมน่ะมีน้อย ยิงปรากฏว่าเรื่องอาหารห้าร้อยลูกที่เป็นเจโตวิมุตย์เฉพาะที่อยู่แถวเมืองกุสินาราบาวาแล้วก็ราชครือเวสาลีบริเวณสามสี่มื่นี้แหละครับเป็นพาชีฝ่ายสงฆ์ที่เข้าไปทําพ้นคายนาในถ้าสัตวัรตะคูหามติในที่ประชุมสงฆ์สัตวันตะคูหานั้นมีข้อที่ควรจะรับทราบอยู่เขาเป็นข้อสําคัญมากคือเรื่องการปรับอาบัติพระนุนเรถระเจ้าพระนุนเถระเจา้าเราก็ทราบดีอยู่แล้ว ว่าเป็นสัทธรรมภันธาคาริกะที่พระาศาสดายกย่องเหลือเกินเป็นสัทธรรมภันธาคาริกะแต่ว่าพระมหากษัตริย์ก็ตั้งข้อข้อแม้สําหรับพระอนนท์ห้ามใหเข้าประชุมพระอนนก็ไปทําความเพียงกระทั่งบรรลุทันเข้าประชุมเมื่อเข้าประชุมแล้วพระมหากษัตริย์ได้ตั้งอธิการจับโทษพระอานน์หลายหลายกับพงความด้วยกันเพราะว่าข้อแลกที่ตักโทพระอานน์คือพระอานน์นั้นอ่า เมื่อพระสาวสดาทำนิมิตโอภาษพระอ น, นุลไม่กล่าวทูลนราธนาคือหมายความมาเมื่อพระสาวสดาแสดงว่าดูก่อนอุลนบนุคคลผู้ใดผู้หนึ่งถ้าจเจริญอิทิบาสีให้เป็นไปโดยยิ่งเป็นไปให้ทายถึงพร้อมให้ถึงหรือสมบูรณ์แม้ความจมงหวังจะมีอายุตั้งอยู่กับหนึ่งยิ่งกว่ากับก็เป็นได้ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ประทับรอบๆเมืองเวตาลีระหว่างคันสาสุดท้ายก่อนหน้าปลิติพานพระอ น, นุลก็ ไม่ได้ทูลถามหรือทูลนราธนาให้พระองค์ลำลุงไปชนมายุอยู่ไปหนึ่งกับหรือยิ่งกว่ากับนี่เป็นโทษข้อหนึ่งที่พระมารดาศกประกาศไในถ้ำกลางสง์ปฏอภัพพระอนุนข้อที่สองข้อที่พระอนุนเป็นผู้ขนขวายให้สตรีเพศได้อุปสมบทในพระธรรมวินยัยพระมารดาศถือว่าเป็นความผิดที่ขนขวายผู้หญิงมาบวชในธรรมวินายนี้เป็นความผิดพลาดเป็นการบั่นรอนอายุาศาสนา ว่าอย่า ง, งนั้นบัตรอาบัติผ้านุนในข้อที่สองข้อที่สามบาัตรอาบัติผ้าอนนในข้อที่ว่าเย็บผ้าพัสิกะสาดกคือผ้าอาบน้ำฝนของพระผู้มีพระภาคไม่แสดงความเคารพเอาเท้าไปเหยียบผ้าพัสิกะาสาดกของพระผู้มีพระภาคสมัยกับถือว่าเป็นตามไม่แสดงความคารวะต่อพระบรมครูพระรอาบัติข้อที่สี่ส พระ อ, อ น, นุไมิได้ทูลถามว่าสิขาบทเล็กน้อยที่พระบรมครูมีพุทธานุญาตให้สงทอนได้ได้แก่สิขาบทประเภทไหนถือเป็นความผิดพระพาบติข้อที่ห้าพระ อ, อ น, นุ์เหระเจ้านั่นปล่อยให้พวกสตรีไปถวายบังคมพระพุทธสตรีละเมื่อพระองค์ดับขันไปแล้วใกล้ชิดเกินไปจนกระทั่งน้ำตาของเจ้าหล่อนแตกเืพุทธสตรีละให้เป็นมลทิน ถ้าม้ากระเห็นเป็นความผิดประกาศความผิดของพระอนุลห้าข้อทุกข้อปรบอับา ท, ทุกกฎหมดให้พระอนุลแสดงอาวัตทุกกฎแก่สงณบาัตี้พระอนุลเทรดเจา้ายินดีสแสดงอวัตทุกกฎทั้งๆั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์อันนี้เราจะเห็นสติฤิตของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเรานะครับว่าทั้งๆงที่พร ะ, พระอนุลเป็นอริยะบุคคลขั้นนั้นแล้วท่านเองก็มองมาเห็นความผิดพลาดแต่เมื่อที่ประชุมต้องการลงโทษท่านท่านก็ยินดีแปล ว, ว่าท่านถือมติของที่ประชุมเป็นใหญ่ เมื่อที่พระชมเห็นว่าท่านผิดท่านก็ยอมรับผิดแต่ท่านมองไม่เห็นความผิดนั้นท่านแก้แก้ขคาะแก้ข้อกล่าวหาทั้งห้าข้อนี้โดยข้อแรกท่านอ้างว่ า, าที่ท่านขุนขวายให้สตรีได้บวชในธรรมวินยัยคุนขวายใสตรีที่ได้บวชในธรรมวินัยนั้นน่ะก็เนื่องจากว่าเล็งเห็นคุณของพระนางประชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นผู้ถวายนา้ําชีโรทกแต่พระศาสดาเพราการขนอ้พระคุณของพระนานเธอจึงได้เป็นผู้ขนขวายทูลวิงวอนแต่พระศาสด า, สดานะ่ะรับสตรีเพศอุปสมบทในข้อที่กล่าวหนาะท่านว่าอ่าท่านเป็นผู้ที่ไม่คารวะพระศาสดาโดยเหยียบล่วงเกินผ้าวัตถิกระดาษโดกนั้นท่านก็กล่าวอธิบายว่าเวลานั้นท่านเย็ยบชนผ้าวัิกระดาษโดกอยู่ไม่มีผู้ช่วย ท่านเหยียดภาพไปด้วยความพังเถอมิใช่ว่าด้วยความไร้ความคาระวะในข้อที่กล่าวหาท่านว่าท่านไม่ทูลขอพระองค์ให้ดำรงประชานมาอยุ่กับหนึ่งมืยิงกว่ากับก็บเพราะเวลานั้นท่านกําลังถูกมารดนจิตไม่เป็นตูวของท่านเองในข้อที่กล่าวหาท่านว่าท่านไม่ทุนถามหรื่งที่หาบทเล็กน้อยได้แก่ประเภทไหนบ้างเพราะในขณะนั้นความเศร้าโศกกาลังรักรุมจิตใจอยู่ ในข้อที่พระสาสดาจะจากไปไม่มีขจิตกระจายจะมาทูลถามเรือนน่องนี้ในข้อสุดท้ายที่สอนให้พวกผู้หญิงเข้ามาถวายบรรพมจึงนกระทั่งร้องไห้เพื่อนพุทธสตรีระนั้น mm hmm. ก็เพราะเห็นว่าเวลานั้นค่ามืดแล้วให้หญิงชาวมันละในเมืองกุสินารามีโอกาสมาถวายบรรพุมุขสตรีระแล้วพวกเธอจะได้รีบกลับเมืองเร็วๆเรวพราะอยู่ในถ้ำข้ามกลางป่ากลางดงผู้หญิงมาคนเปนกพระในกลางป่ากลางดงเวลาดึกสงัดนั้นน่ะไม่ควรแต่พวกเธอไห ว, ว้กับกราบแล้วก็รีบกลับทันที ท่านทำท่านถูกแล้วที่มไม่ขอให้มาตุกามาคุกครีกับพิสุงสงนอกเมืองในเวลาวิการแต่ข้าพเจ้ามองไปเห็นอาบัตเหล่านั้นเมื่อสง์ต้องการลงอาบัตข้าพเจ้ายินดีขอสแสดงอาบัตทุกกฎเหล่านั้นแก่สงนับบัตนี้นี่เป็นเรื่องพระอนุเทนะเจ้าที่ถูกพระมหากษัตริย์ปอาบัตทุกกฎโดยเสนอยัตติในสงให้สงลงโทษพระอน์และพระอนุท่านก็ยอมรับเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเช่นนี้เรื่องการประชุมทั้งขยานากเกิด การประชุมทั้งเล น, นาเกิดนี่มีเรื่องสําคัญข้อหนึ่งที่สมาชิกศุภได้ถามขึ้นในเสนอแยกติดนาที่ประชุมบอกว่าคุนาจุมเมพันเตสังโฆขอสงฆ์ทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้าแม่มีพุทธดํางรัสในจวนปริพภานสมัยว่าสิขาบุตรเล็กน้อยสงฆ์พึงถอนได้หากต้องการแต่สิขาบททุตของพวกเรานั้นที่เกี่ยวข้องกับพวกขันหัดมีอยู่แม่พวกขันหัดเหล่านั้นก็ย่อมทราบว่านี่ควรแก่สมณะตกยบุตร นี้ไม่ควรแก่สมณะปัจจบุตรอย่างนี้ถ้าแม้ว่าพวกเรามาถอนสิขาบทเสียแล้วก็จะเป็นข้อคารหาแก่พวกครือขัดว่าโอ้พวกสมณะักจบุตรนี่ประพฤติ ธ, ธรรมวินัยชั่วการแห่งคันไปไม่ความว่าพอพุทธเจ้าลีพานก็ละเลิกธรรมวินยัยเพื่อเทอิดกันใหญ่ประพฤติเคร่งเฉพาะเวลาพระศาสดาเคยมีพระชนอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านมหาจัตตาถามความเห็นที่ประชุมว่า สิขาบทเล็กน้อยเหล่านั้นะที่ประชุมจะเห็นว่าตีความว่าจะหมายกับประเทศไหนที่ประชุมบางท่านก็เสนอยัตติว่ายกประราชิกสี่เสียที่เหลือชื่อว่าสิขาบทเล็กน้อยบางท่านก็ตีความว่ายกประราชิกสี่สังคารทีเสอนิยตเสียที่เหลือชื่อว่าสิขาบทเล็กน้อยบางก็ตีความว่ายกประราชิกสีสังคาริเเสดอนิยตปาจิตตีเสียปฏิเสทเสนยะเสียที่เหลือชื่อว่าสิขาบทเล็กน้อย เอาความเป็นที่ตกลงกันไม่ได้ขามหากษัตริยจึงกล่าวยักติตัดสินในที่ประชุมว่าให้ผงทั้งปวงจงฟังสิข้าบทเล่าที่เกี่ยวข้องขเรือเขามีถ้าเราไปถ่ายถอนข้า ว, วาาปูขเรือจจะติเตียนววเราปูเล่านาเคร่งเฉพาะชั่วการทุกข์ปั่นไปเราะควันจางเราก็เลยเคร่อย่าเป็นข้าออหังตีเตียนกับเขาเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิข้าบทใดที่พระศาสตาทรงบัญญัติพวกเราจะไม่ถ่ายถอน อันใดที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติเราจะไม่สูรู้ไปเพิ่มตนมัญญัตเข้านี้เป็นยัตติถ้าที่ประชุมเห็นด้วยจงเป็นผู้นิ่งถ้าไม่เห็นด้วยจงเป็นผู้คา้านท่านประกาศเป็นยัตติทุติยกรรมวาจาในที่ประชุมของคณะสงฆ์ที่ประชุมก็นิ่งรับโดยบุตรนีภาพเท่ากับว่าเป็นเอกชั้นธรรมติตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการถอนขาบดไม่ว่าข้อเล็กข้อน้อยใดๆทั้งสิ้นเขาไม่รู้ว่าข้าบทเล็ก้อยที่พุทธเจ้าประสงค์นั้นจะหมายความกว้างลึกแค่ไหน แต่จะรักษาของเดิมเท่าที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดที่สุดนี่เป็นมติของถ้ำสุตตะบันลูหาที่คณะหลวงในถ้ำนั้นประชุมธรรมทั้งขยนากันเมื่อออกพรรษาแล้วพระมหะกษัตริยได้พาบริวารมาอยู่ที่เวรวันเวรุวันวิหารในเมืองราชเกิดเวลานั้นก็มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเป็นชั้นเจานา้าคณะชื่อพระปูรานะพาบริวารที่เป็นสาวกห้าร้อยรูป จาิกมาแต่ตำบลภัทกนาคีรีชนบทเดินทางมาที่เวรวันเมื่อมาถึงสมากกต้ก็ไปแสดงมติในที่ประชุมในถ้าสัตะบันให้ฟังบอกว่าการสังขยานานั้นผวกกระผมได้ทำสังขยนานารียบร้อยแล้วแล้วก็มีมติอย่างนี้อย่างนี้แจ้งให้ท่านภูราณะทราบท่านภูราณะก็บอกว่าก็ดีแล้วนี่ครับพกูกขันในประชุมสังขยนานาก็ดีแล้ว แต่สำหรับผมนั้นผมถือว่าผมได้ฟังพุทดํารัสจากข้าโอดพระบริวรสัตดาอย่างไรแต่ผมจะจริงจังบรรดาบรรยัตพุทธพจน์ทมบงรณ์อย่างนั้นไห้เทียวนั่นก็คือหมายความว่าสัาางกูราณะไม่รับรองการประชุมปฐมสังขารยานาที่ทํากันในถ้ำสัตบัญท่านจะยอมรับท่านถือว่านึงถ้านไม่ได้รู้เห็นในที่ประชุมด้วยถ้ามไม่ได้เข้าที่ประชุมไปประชุมกันยังไรไปลงมติกันยังไงไปเรื่องของท่าน สำหตัวของท่านเองท่านถือว่าท่านก็เปหนึ่งเหมือนกันได้ฟังได้เห็นได้รู้เรื่องพุทธพจน์จากพระศาสดาคนหนึ่งเหมือนกันท่านจะถือตามทุท่านเรื่องความในบาลีเรามีปรากฏเพียงเท่านี้อันนี้เป็นการแยกมีกายตั้งแต่ปฐมวัายนาแล้วเพราะฉะนั้นการแยกมีกายไม่ใช่เพิงจะมาแยกตอนทูติยะทั้งขายนาตามที่เราเรียนกันนะไม่ใช่นะครับตามที่เราเรียนกันนะตำราเรียนต้องแก่ไม่ใช่เพียงต้องแยกตั้งแต่ปฐมวัคายนาแล้วทับโบราหน้าหนึ่แหละ คัดค้านการประชุมผสมผสังขานานความไปปรากฏในวินัยปิดกฝ่ายนิกายสันสกฤที่ถือสันสกฤตเป็นใหญ่นิกายวัตศาสนาที่ต่างจากนิกายเถรวาทคือในนิกายมหิาศาสกากับในนิกายสถรวาสติวาระกับในนิกายธรรมคตะปสามนิกายนี้เกิดหลังนิกายเถรวาทไปให้รายละเอียดในข้อที่ทางภูรานะปู่แย่งกับพระมหาจับศพเรื่องวินัยเล็กน้อยนี่แหละ ก, ส ก, ตตส ก, ก็สิข้าบอกว่าเด็กอันโตุุุุุุุุุุัุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุขุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุ้ชัุุาาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้นุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุ้รุุุุุุุุุไุุุุาุุุุุุุุิุุุุุุุุุุุุไุุุุุุัุุุุุุตุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุีุย เห็นว่าเก็บงาบัวในป่าไปฉันอย่างนี้หรือเห็นมาม่วงตกในป่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเราหิบขึ้นมามันมีกับพิยาการกุกทำวินัยกรรมเราก็เอามาม่วงเข้าป่าอย่างนี้อ่ะผิดหรือไม่ผิดที่ขา้าพุทธพวกนี้ท่านจะมองดูแล้วเล็กเล็กน้อยๆยเกี่ยวกับอาหารภูชนิยะเล็กเ็น้อยๆอยไม่น่าจะไม่มีเรื่องใหญ่แยกนีกายออกมาเลยแต่ว่าไม่ได้ในเรื่องใหญ่ในข้างนั้นท่านทูราน่าเห็นว่าไม่เป็นอาบัติ ถ้าจะหุ้มตุ่งกินเองในกุติก็ไม่เป็นอาบัตได้เก็บอาหารค้างคืนไว้ฉันทุ่มมี่ก็ไม่เป็นอาบัตรับประเคนมาจากที่นิมนต์แล้วใครว่ามาพักเขานิมนต์พักไว้ฉันที่บ้านแล้วเสร็จแล้วมีอาหารหลือวาพัเก็บใสายยา่ย้างอกอาตมาจะเก็บไวฉันต่อในวันพุ่มมี่ิดกลับมาฉันนะโยมเก็บอาหารใส่ ย, ย้างไปกลับไปในวัดอีกอย่างนี้ตาพระวินัยถือเป็นอาบัตนะหรือว่าการฉันอาหารบ้วนตาสีฟันว่าอิ่นแล้ล่ะประเดทายกถ ว, วายของอีกชิ้นหนึ่งเราชอบใจ ลงลงมือช้ำต่อเป็นอาบัตเหมือนกันแต่ท่านธุราณาบอกว่าไม่เป็นอาบัตว่างัไนเกิดปู้่ย่ากับพระม้ า, นานกับสขขามคาวพระม้ากัสมบูรอาบัตสี่าม่ใช่เป็นอาบัตเออท่านุรานาอ้างเหตุบอกว่าเรื่องเกิดที่เมืองเวสาลีในการข้าวแพงแต่เดิมก็เป็นอาบัตล็อกแต่เมื่อเกิดการเข้าวยากมากแพงแล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงมีพุทธานุญาตให้ประสง์เก็บเข้าตังเข้าตูไว้ชั้นในกูดีเพราะเอาท่าเอาอาหารไวนอกกูดีแล้วออกนอกที่มุงบังแล้วก็ถูกไอ้พวกหนูพวกอะไรมันแย่งมปกินหมดพระจะแย่อยู่แล้วอนุญาตอนุญาตในหุ้งต่อมชั้นเองในกูดีเป็นบิณฑบาที่นั้นนม่ีใครมีใครเข้าใส่บาตรเขาจะไม่มีข้าวกินอยู่แล้วที่นั้นก็จะมีข้าวเข้าใส่บาตรแล้วถ้ามันมีใครใส่บาตรพระก็ต้องอดข้าวตายสิเพราะหุ้งตมกินเองอันทวยมีพุทธานุญาต เพรฉะนั้นท่านุราณาเห็นว่ามุ่งมิพุทธานุญาตที่เมืองเวสาลีเช่นนี้ท่านจะถือตามนี้แหละว่าการประพฤตในข้อที่เป็นอันตัุทาอันโตัวปะมาปะกระประตูนี่จะตุเรพัตัเหล่านี้แหละไม่เป็นอาบัตในนั้นระบาตทั้งทุกกฎบางข้อก็เป็นทุกกฎบางข้อกป็นบาจิตีในนั้นท่านภูราณาบอกประพฤตตักทั้งนั้นท่านมหาสมบอกว่าไม่ได้ท่รู้ไหมว่าที่ตรงมีพุทธานุญาตให้สงฆ์ทำได้น่ะเฉพาะในการข้าวแพงหรอ พ อ, อสิ้นการข้าวแพงแล้วเย็นมาหนึ่งพระผู้มีพระภาคแม่สักเรียยพระอานน์มาถามว่าดูก่อนอานน์สิขาบทอันนู่นด้วยอันโตวุฒาอันโตประกาศเหล่านี้น่ะบัดนี้สงอยังประพฤติอยู่หรือหนอแล่พระอานนท์ก็กลาวภูลว่าสงทั้งปูมอยังประพฤติอยู่พระผู้มีภาคก็เรียบประชุมสง์ห้ามหม่บอกว่าที่ทรงอนุญาตไว้น่ะเฉพาะในการข้าวแพงบัดนี้ก็ค้นการข้าวแพงแล้วบอกไปนี้ถ้าใครทําร่วงระับอาบัตทุกโกรบ้างปาจิตตีบ้าง ตามทุกครแก้ปีก้าบทเพราะฉะนั้นท่ามหาสตุปก็เอาเรื่อนี้มาปรับความเข้าใจกับท่านกุราณะถ้านกุราบอกว่าไม่รู้ผมไม่เข้าใจไอ้ตอนที่ทรงมันอยากห้ามหมาผมไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังผมจะถือตามที่ผมไอ้เฉพาะตอนที่เห็นอยู่ฟังว่าทรงอนุญาตไอ้ตอนที่ประกาศประชุมถูกห้าใหม่ผมไม่ได้ฟังกับหูเองผมไม่เชื่อผมจะถือตามผมอย่างนี้แหละแยกคณะออกไปเลยท่านกุราณะเขาพาพวกไปทำสัญยาณอีกแข่งหนึ่งแข่งกับมหาตากษ ว่าท่านทาได้พวกผมก็ทําได้เหมือนกันฉันก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนี่ลูกศิษย์ตั้งห้าร้อยเยอะแยะไปทำไมจะทําตั้งกองทั้งขยานาไม่ได้ไปตั้งไปทําทั้งขยนาปัางคำคณะสงฆ์จึงแตกเป็นสองพรกสองนิกายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลิพานแล้วใหม่ๆหม่ในปีนั่นแหละแตกเลยแตกกันท่านภุราณาพวกหนึ่งท่านหมากับศรีพว ก, กหนึ่งการตีความพระาวินั ย, ย่างนี้นะ ถ้าเราจะมาตัดสินว่าเออท่านภุราณะเนี่ยท่านทาำสังฆเพศได้ไหมไม่ได้ท่านอ้าพุทธพจน์ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาพมีพุทธานุญาตให้สงพรอนสิขาบทเล็กน้อยได้ท่านจะถอนท่านล่ะท่านทำตามพุทธพจน์นี่ส่นพวกม้าจักรพรรดนี่ปกครองยังไงท่านไม่รู้เห็นท่านเป็นพวกนอกท่านนอกท่านรัฐบัลไม่ได้ขับลังขยานาด้วย เพราะนั่นจะมาเราทํานทำพระเภทหรือทำนอกรนอกรีดนอกรอยพุทธพจนก็ไม่ถูกท่านยังพุทธพจน์ด้กันพุทธพจนอนุญาตให้สงถอสิกขาบทเล็กน้อยได้ท่านเห็นว่าอันโกวุฒาอันโตประกาศพวกนี้เป็นประเภทสิกขาบทเล็กน้อยท่านจะถอนท่านถึงแม้จะไม่ไดฟังเรื่องราวที่มีทรงพุทธานุญาตในการเข้าแพงก็จริงถ้าหากว่าท่านจะอ้างวุธาอนุญาตในข้อที่ว่าให้ถอนสิขาบทเล็กน้อยได้เนี่ยท่านตีความท่านอย่างนั้นไรกัปุกปลงกับพรกพวกท่านถอนจะว่าไงท่านล่ะจะบอกว่าท่านทาพระเภทแต่ยังไง บอกไม่ได้บอกไปได้ทีเดียวนี่ท่านทำท่านผูกแล้วพวกม้ากับป่อยากจะเข่งก็ข่งไปแต่ของท่านทำอย่ถอนตามทุกธานุญาตอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ผีสืบจากในท้ำสัตบัญญัติเราจึงเรียกกันว่ากัดป่าวงวงพระภิกกับจสมือตามมติเขากัจจสมกัจจสแล้ว<อ>หรือไม่ฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นเถรวาทีวาทีพระเทระห้าร้อยซึ่งเป็นต้นวงของพระสงฆ์เราในฝ่ายทินยานเทรวาดในปัจจุบันนี้ พวกเราวงเราเนี่ยสือ่อเขจะธรรมะจตระนตะนะวงเราเขาลดวิสของธรรมะจตระแะในถ้ำสะะัตว์บเราจึงรักษาจารีตของธรรมเนียมธมวนัยสืออ่อทอดมากระพังกาลปัจจุบันนี้ส่วนท่านโบราณะนะ่ะเป็นพวกที่ถือว่าให้ทอสิทธาบทเล็กน้อยได้ตามพุทธานุญาตก็เป็นต้นต่อของผู้ม า, ายานในการต่อมานี่ทั้งหมดนี่จะว่าใครผิดใครถูกไม่ได้ทั้งนั้นแต่ตัดสินมาฝ่า ไ, ได้ผิดไปได้ผูกไป่ได้ไม่มีกา ร, รตัดสินตัดสินไม่ได้ เาทั้งสองฝ่ายก็อ้างพุทธฝ่ายหนึ่งก็อ้างพุทธธอนุญาตอีกฝ่ายหนึ่งก็อ้างเรื่องว่าไม่รู้สิครับหมดเล็กน้อยคืออะไรจะตีกันยังไงก็ไม่รู้ปัดบทอย่ไปท้อมันซะเลยดีกว่าเนี่ยเรื่องมันเรื่องเลืล่องอย่างนั้นนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อพุทธเจ้านิพานในปีแรกมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานี่เหตุการณ์ในสังคมมุนทนตอนนี้เหตุการณ์ในทางบ้านเมืองก็ปรากฏว่าพระเจ้าอาชาสปรูหลังจากพุทธเจา้าลีพานสดสดร้อน พระเจ้าชาติศัตรูก็ปีทากองทัพตีเมืองเวสาลีแตกเลยตามโครงการพ่าสการะพามตีเมืองเวสาลีแตกเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ว่าพระเจ้าชาติศตรูไม่กล้ายกทัพไปตีเมืองเวสาลีเกรงพระไทยถ้าพระพุทธเจ้าเองน่ะในปีสุดท้ายน่ะพระองค์เป็นรู้สึกว่าพระองค์มีความเมตตาต่อเมืองเวสาลีเป็นพิเศษเพราะรู้อนาคตชะตากรรมเวสาลีดีเพราะฉะนั้นจึงทรงเลือดเอาพรรษาสุดท้ายที่เมืองเวสาลี แล้วก็เสด็จประทับในหมู่บ้านตนําบลรอบๆแฝงเมืองเวสาลีเท่ากับว่าทรงป้องกันเมืองเวสาลีใหทุนไทยด้วยประทับอยู่รอบๆหมู่บ้านนั้นสารังทัตเจดีโคตมะเจดีพระอุปตกาเจดีปาวารเจดีบริเวณประทับอยู่รอบๆเมืองเวสาลีอ่ะจนกระทั่งเห็นว่าจูนจะถึงปดอีกไม่กี่วันจะดับขันแล้วยิงเสด็จสละเมืองเวสาลีไปสู่พุสินารานี่แปลว่าทรงแพ แต่พุทธาญาช่วยคุ้มครองเมืองเวสาลีเมืองเวสาลีจนวินาทีสุดท้ายแต่พอพระองค์เสด็จจากไปแล้วกองทัพมคตก็คลื่นเข้าบุกเวสาลีทีเดียวแล้วก็ได้เมืองเวสาลีด้วยเพราะฉะนั้นอำนาจทางการเมืองของขันมคตในครั้งพุทธกาลจึงบรรลุถึงมหาอำนาจชั้นสูงสุดคือครอบงาทั้งปูศนครอบงาทั้งกาสีและครอบงาทั้งเวสาลีเป็นมหาอำนาจชั้นหนึ่ง ในอินเดียขรั้งนั้นพระชาชาติตรูเองก็มีชะตากรรมประสบอย่างกับพระบิดาของพระองค์คือถูกพระเจ้าอุไทยพัฒน์กุมารซึ่งเป็นราชโอรสทำปีตุขาจัาพ่อข้าเสียแล้วพระเจ้าจอุไทยพัฒนก็ย้ายเมืองจากเมืองราชครฤมาตั้งเมืองใหม่ที่เมืองปาตรีบุตรบาติปาตรีบุตรน่ะเดิมเป็นหมู่บ้านชื่อว่าปาตลีคามในในบาลีมาหาปรินิพพานสูตรสแสดงว่าเป็นเพียงหมู่บ้านเฉย เป็นตำบลหมู่บ้านเป็นเมืองแท้ๆเป็นตลาดการค้าอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาบงกลางข้ามกับเมืองเวสาลีเวสาลีกับแคมคตนะเส้นแดนคงแดนน่ะคือแม่น้ําคงคาอยู่คนละฝัแล้วปาตลีคามน่ะอยู่ฝั่งนี้เวสาลีอยู่ฝั่งโ น, น้นนี่วัศการพามสุสนิธาอม า, มาดัดแปลงสร้างปาตลิคามให้เป็นเมืองขึ้นเพื่อจะหวังให้เป็นเมืองหน้าตึกสําหรับเคลื่อนกองทัพโจมตีเมืองเวสาลี ในระหว่างที่สร้างเมืองใหม่นี่ก็ ม, มีมูลพระพุทธเจ้ามาฉันฉลองเมืองแล้วก็ถือเอานิมิตพระพุทธเจ้าเสด็จไปงลงเรือที่ท่าใดข้ามฝ้าไปเมืองเวสาลีก็ตั้งชื่อท่าเรือนั้นว่าท่าโคตมะเสด็จออกจากเมืองประตูเมืองด้านใดไปสู่เมืองท่าเมืองเวสาลีก็เหียมประตูโคตมะตั้งไว้อย่างนั้นบาตรีคามนี่แหละพระพุทธเจ้าได้มีพยากรณ์แรกกับพระอนุ์ว่าดูก่อนอานุน์บาตรีคามนี่หลังจากกรณีพานไปแล้ว จะเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดจะเป็นที่แก้แข่งขอสินค้าหมายความว่าจะเป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นหนึ่งของอินเดียพ่อค้าทุกทุกประเทศนาจากสารทิศต้องมาแก้ขอสินค้ากันที่นี่หมายความอย่างนั้นแต่เมืองเวสาลีจะคิพไผ่ด้วยด้วยน้ําหนึ่งด้วยไฟหนึ่งด้วยความไม่สามัคคีหนึ่งพรทธพยากรข้อนี้เป็นจริงในประวัติศาสตร์ทุกอย่างเมืองเวสา์ลีในภายหลังคิหาย่ด้วยไฟคิพหายด้วยน้ําคิพหายด้วยความไม่ไม่สามัคคี กระทั่งปัจจุบันนี้ซากเมืองถล่มหายไปในแม่น้ำคงคาหาซากไม่ได้นี่คิดหายไปไหนอันนี้พระเจ้าพยากรอนไว้ผูกป้องตามความค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ในสมัยต่อมาทุกข้อทุกกระทงพระเจ้าอุทัยพัฒย้ายเมืองจากราชชือมาตั้งที่เมืองปาตรีคามและเปลี่ยนชื่อว่าเมืองปาตรีบุตรจากปาตรีคามเป็นปาตรีบุตรเมืองปาตรีบุตรมีบทบาทเป็นเมืองหลวงอินเดียตลอดระยะเวลาตั้งเกือบพันปีหลังจากนั้นนี่อันนี้เป็นบทบาทสําคัญมาก เพราะนั้นศูนย์กลางของพุทธศาสนายึงย้ายจากราชครึ่มาอยู่ที่ปาทริบุตรตามความทุขันของบ้านเมืองในครั้งนั้นด้วยเราจึงจะพูดได้ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นศาสนาพุทธแตกแพ่หลายออกไปด้วยพุทธพจน์เพียงสั้นๆว่ามาเอเกณะเดเวอครรมิ t ถ a แปล ว, ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าเที่ยวไปในทางเดียวกันสองรูปเลย ศาสนาพุทธทนท่านข้อนี้แหละเป็นเหตุให้ศาสนาพุทธเนีย่ยแพร่หลายออกไปเพราะว่าพวกพรามในครั้งนั้นก็ดีผู้ปริพาชกหรือนักบวชนิคนในครั้งนั้นก็ดียังไม่มีนโยบายการทําในรูปธรรมะูตกรรมที่เรียกกันว่ามิชชันนารีเวิร์กยังไม่เกิดธรรมะพุกรรมมังการงานแทนธรรมูพุทธนั่นยังไม่เกิดนะธรรมะูตกรรมันนี่แหละแต่เราสังเกตว่ามิชชันนารีเวิร์กพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกที่ริเริ่มงานมิชชันนารีเวิร์กเกิดขึ้นในโลก าศาสนาอื่นๆรอกแบบพุทธาศาสนาไปทาแล้วก็ทําได้ดีกว่าเพราะว่าหลังจากนั้นมาพวกเราชาวพุทธก็นอนกินใบบุญของบูรพาจารย์ตัวเองไม่ทําอะไรอยู่กับวัดเป้าวกวาอยู่กับบ้านเป้ากระเดือนไอล้ลุงที่จะไปทํางานเผยแผ่าศาสน า, าสัญจรจาริกไปเป็นอันเลิศทําแล้วเรากินใบบุญของบูรพาจารย์บูรพาจารย์สนอาบเหลือต่างน้ำข้ามน้ําข้ามทะเลเผยแผ่ศาสนามาถึงชั้นเราหลังๆลงมาเราไม่ทําแล้วเรานิ่งอยู่กับที่ เพราะฉะนั้นงานมิชนาลีเวิร์จึงให้พวกศาสนาอื่นเขาไปทําศาสนาอื่นจึงการเป็นศาสนาโลกผู้หัวแห็งเขาแผ่ไปถึงหมดพุทธศาสนากลับไป่แผ่หลายหลื่อมเหลือกันทั้งทั้งที่ศาสนาพุทธเป็นผู้ให้กําเนิดงานธรรมทูตกรรมมังหรือมิชนาลีเวิร์เกิดขึ้นในโลกมาเอเกน่าเดเวอัคมิท tha เป็นคําขวัญที่เล่าใจให้พระสาวกไปทํางานเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา ภูชะนะฮิตายะภูชะนะสุขายะโลกาลุการรมตายะฮิตายะสุขายะเดวมลุกานังเนี่ยเป็นคําที่ว่าเล่าลมใจสาวกหรือเลือเกินให้ทําไปเพื่อความสุขของชนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์เถอะทําไปอย่าไปทางเดียวกันงสองรูปเลยนี่เป็นปาพศคําสั่งที่พระเจ้าสั่งพระสาวกให้ทําฉบับแรกหลังจากในพระสาวกหกสรูปที่แขวงว่าจะขึ้นในพรรษาแรกหลังจากรปรารุได้ออกคําสั่งนี้เพราะฉะนั้นคําสั่งข้อนี้นะ่ะ คณะชาวพุทธในเกาะลังกาชาวลังกาเขาถือกันว่าเป็นมหาวิเลยถามว่ามหาวิเลยคืออะไรคือพุทธพจน์ข้อนี้แหละเป็นคําบังคับขอร้องในทีไม่ใช่บังคับโดยตรงมีทั้งอ้อนวอนทั้งขอร้องทั้งบังคับไปในตั ว, วเราก็เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงที่เป็นทิศทั้งบ่วงที่เป็นของมนุษย์แม่พูดเธอก็เป็นบุคพ้แล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปจงจาริกไป อย่าไปทางเดียวกันสองลูกเผืความสุดกับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายในโลกที่มีป้าธุรีจักษุในดวงตาเบาบางมีอยู่ก็จะคาดโอกาสถ้าหาว่าไม่ได้ฟังทำแม่ตัวเราเองก็กําลังจะไปอุรุเวลาเสนาในคมเหมือนกันเนี่ยคําเนี้ชาวพุทเด็กกลังกาเขถือว่าเป็นมหาสิกขาบทเป็นสิขาบทข้อแรกที่พ่อเสด็จพ่อของเราได้ประทานให้กับพวกเราให้ให้บันดาพราหมณทํางานไม่ใช่อยู่เฉยๆออกมาทํางาน ไมะนั่นการที่มีข้อกระหาตั้งหาเหตุว um ่าพผ้าในพุทธศาสนาขีเกียจไม่ทำงานนะไม่จริงใครถ้าใครบวชเรียนผ้าในพุทธศาสนาแล้วต้องทํางานไม่ใช่อยู่เฉยๆขี้เกียจไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่จหวัดอย่างเดียวไม่ใช่ข้อกระหาชาวบ้านเขาหาว่าพ้าเราทุกวันนี้น่ะเป็นเป็นปางผ้านอนเขาว่าพระปางอิริยาบถต่างๆใช้ปางผ้านอนมากที่สุดเขาว่าเราอย่างงี้นะเราต้องแก้คอแก้ข้อกับชาววัดครับเพราะไม่จริงถ้าเราไม่ใช่เป็นผ้าปางผ่านอนไม่ใช่เป็นปางผ้าเดินลีลาบากละ เพราว่าของเราเสด็จพ่อของเราบรรดาบูรุษพระบุรุษทางศาสนาของเรามาเดินกันทั้งนั้นแหละนี่เดินเผยแผ่เมื่อศาสนาพวกจะอยู่อยู่ได้ในโลกกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ฟังสายญาติไม่ใช่บางดีลาไม่ใช่ไปจะฟังสายญาติเรื่องปัดสายญาติพวกยังพวกยังติดกันอยู่นะไม่ใช่ฟังสายญาติจะจะมาตีกว่าว่าเป็นปังขี่เกียดอย่างข้อชาวบ้านน้องคนไม่ฟังข้อกล่าวหางนี้ไม่ได้หรอกมันมันไม่ใช่บางสายญาติเป็นปังทรมานอดรินลาหูหรอก พระมาณสรินราหูอสุรินรานะ์าหูน่ะกาแหนนู่าตัวเองนะ่ะใหญ่โตเทวดาในแสนปวดจากกวางเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าหมดแล้วเขาชวนอสุินราหูลงมาเฝ้าพระสัทสาเถอะอสุินราหูบอกว่าฉันลงไปเฝ้าไม่ได้หรอกเพราะกูตมพระพุทธเจ้าทั้งเป็นมนุษย์ถ้าฉันลงไปเฝ้าแล้วก็เหมือนช้างมาเทียบกับตัวยุงน้าตัวฉันใหญ่โตมโหลานแล้วพระธมนคโคดมมานีาดนเดียวฉันก็มองก็จะมองไม่เห็นเทวดาก็บอกว่า อนะัลคาน่าไปฟอกซะก่อนเถอะจะดูว่าใครใหญ่ใครเล็กเป็นฟอกซะก่อนเถอะลองดูอัศรินลาหูก็เอะรองดูสักทีลงมาฟอกพระองค์ที่เชตวันนักทีพระเจ้ารู้แล้วว่าอัศรินลาหูเนี่ยมีอติมาณมากสําคัญตัวอยู่รูปล่างใหญ่ตัวเท่าภูเขาลากาดีละพระองค์ก็แสดงพุทธปฏิหารเ น, นมิพระองค์แมมรูป ล, ล่างใหญ่ก็อัศวินลาหูสิทธเผาไม่ใช่เพียงนั่งเพียงยืนนอนขนาดนอนอยัยงหาหาพระศิลไม่พบเลยอสุรินลาหูตัวใหญ่เท่าโลกแล้วนะ อาสุรินราหูหนาตวิชาหูราฟาดเป็นท่อนหนึ่งของโลกนะฮะโลกเราเนี่ยถูกตัดเป็นสองท่อนท่อนหนึ่งเป็นดาวราหูท่อนหนึ่งเป็นโลกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ่าว่าประมาณและอาุรินราหูก็รูปร่างตัเท่าโลกตัวูตัวทเท่าโลกพระพุทธเจ้านิรพภะองค์ใหญ่กว่าโลกอีกนอนอยู่ตางสายหยาดนอนนอนอยู่แต่ขนาดนอนยังมองไม่เห็นพเสียรแม้ว่าเอ๊นนี่พรสมณะโคดมอยู่ที่ไหนนี่หาตัวสิเถอะหาองค์ไม่พบ ผู้นจ้บอกว่าลาหูสถาคตนอนอยู่นี่เองอะ่ะบอแม่เจา้าโว่ยอมแพ้แล้วเราําแหงว่าตัวเราเนี่ยใหญ่ตัวมโหรา น, นักหนาเนี่ยมาเจอคนที่ใหญ่กว่าเราต้องสิทเข้านะ่ะไอ้มาณนะที่มีในตัวก็หมดเพราะฉะนั้นปางพุทธสายญาติเนี่ยอย่าคาดจะผิดว่าเป็นปางนิพานหรือปางนอนไม่ใช่เป็นปางทรมานอุรินราหูไม่ได้นอนหลับเปลาไม่ได้นอนไม่ได้นอนหลับถ้าปางนิพานแล้วควรจะทำปางหลับเท่านี้เป็นปางนิพาน ต่างรืมพเนตอย่างพระนานพระโพนี่ยไม่ไม่ใช่ตานิพพานแน่บางทรมาทสุินลาหูก็ดูสิแขนท่านหนุนตะเสียเนี่ยแมมหมอ น, มอนมหมอนสามเหลี่ยมนะสูงกว่าตัเราอีกหนุนขึ้นไปท่านอกสูงกว่าตเราไปยืนเทียบยังไม่ถึงข้อสอท่านเลยไปยืนเทียบอ่ะรูปหมอนสามเหลี่ยมนี่หมอนขวานนี่ท่านอิงอยู่อะ่ะเน่เพราะนั่นไม่ใช่ปางนิพพานหรือปางนอนหลับไม่ใช่เป็นปางทรมารสุรินราหูปังนี้ใครบูชาแล้วรถที่ผิดมานะ ไม่ใช่บ้าบานถ้าบางนี้ทําให้ขี้เกียจนี่ใช่แล้วจะมาว่าเพราะสงขี้เกียจก็ไม่ใช่อตามตามนี้ไม่ใช่อย่างนั้นได้ความว่าพุทธศาสนาจเจริญไปก็นโดยคุณสัพพ ด, ดังที่ว่ามาแต่ถึงกรขนานก็ดีข้าพุทธกาลก็ไม่ใช่เพระสงจะมีจำนวนแสจำนวนหมืนมม่นอย่างเดียวนี้นะครับตามที่ในบาลีปรากฏต่าจำนวนแปดหมืนี่พันนั้มาอเนกกระสังขยาจะถือเอาจริงตามตัวเลขบาครบตัวเลขแปดหมืนสี่พันเป่งพอดีไม่ได้หรือองนั้นไม่ได้ เอาความว่ามากนั่นเองเขาบอกพิสูนสง500อละหันห้ารยพิสูนสงมืนสี่พแสโดเอาความว่ามากนั่เองอย่างพระมุนวสาลีอธิกทาพรณาบอกตั้งสี่โกศลท่านเชื่อไม่ว่าอยู่ได้กันในสี่โกศคนพระมงเวสาลีตั้งสโกศลเนี่ยคนในปอินเดียในคันพุตการประมูลและยังมียถึงสี่โกศลนฟ้าอะไรกับคนมืนมันจะมีถึงสี่โกศลได้ยังไงเพระาะฉะนั้นอะะอลหันหรือ ที่สงส่ในข้ามพุทธกาลอ่ะมี เ, เพียงจํานวนพันไม่ถึงจำนวนหมื่นมีเพียงพันๆ น, นั่นเองไม่ใช่จำนวนหมื่นหมือนไม่จำนวนแสนแสไม่ใช่อเรามีหลักฐานในพุทธภาษิตมีคนถามพุทธเจ้าบอกว่าที่สูงส์ที่เป็นเจโตวิมุตติบุคคลในพในพรหมจรรย์นี้มีจำนวนเท่าไหร่พุทธเจ้าบอกว่ามีจํานวนร้อยเป็นอนเนกร้อยเป็นอนเนก ม, มีจํานวนพันเป็นอนเนก ไม่ได้กรับพิงตะมงมื่นเลยไม่มีเลยเอาเกณฑ์จากพุตุพจน์ข้อนี้สแสดงว่าพระสงฆ์ในครั้งนั้นมีเป็นเรือนพันพันทั้งพระอนุญาบุคคลทั้งบูตุชนสงฆ์มีเป็นเรือนพันพั น, าามม น, พ น, พนไม่ใช่เป็นเรือนหมื่นหมืม่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระเหล่านี้ต้องทํางานแผ่ศาสนาก็แผ่ได้เฉพาะในเมื่ที่บริเวณจํากัดคือในแถบนพินลูกเป็นน้ำนนํำคงคากับไม่น้ําสินธุนั้นเองที่เป็นมัธยมประเทศเดียเด๋ยวนี้่ทิศเหนือตั้งแต่แค่นกํำปูดเข้ามา ทิศนะตะวันออกตั้งแต่แคว้นเอแคว้นจําปาเข้ามาทิศตะวันตกตั้งแต่อูเชนแคว้นอูเช น, นีเข้ามาทิศใต้ตั้งแต่เพื่อภูเขามินทัยเข้ามาอาณาบริเวณมูที่เหล่านี้แหละเป็นที่ที่พระสงฆ์ทํางานท ร, รมาทูตกันเป็นธรรมทูตเผยแพ่ศาสนาในบริเวณเหลับนี่นีน่ในขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลังพุทธประเิฐพานแล้วปรากฏว่า ศาสนาได้ขยับขยายกว้างขวางออกไปทั่วชมพูทวีปเพิ่งจะเป็นศาสนาทั่วชมพูทวีปหรือทั่วอินเดียในแผ่นดินพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นเองก่อนพ่ะเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอโศกนะ่ะศาสนาพุทธไม่ได้แพ่หลายไปทั่วอินเดียหรอกครับแพ่หลายแต่เพียงอาณาเขตอินเดียตอนเหนือตอนกลางตอนใต้ ย, ยังไม่ยังมาไม่ถึงตอนใต้ ย, ยังมาไม่ถึงก็เราดูง่ายๆก็แล้วกวันว่าพาวิลพามาอาจารย์ของสุรสมานุปนิพกคนน่ะ มาตั้งอาสมตัง้งวภิที่ริมฝั่งแม่น้ํำคูทาวารีในอินเดียผาดฝ่ายใต้ในข้างนั้นไม่มีพระสงฆ์ลงมาถึงแควรูแม่น้ํำคูทาวารีในอินเดียผาดฝายใต้เลยเพราะฉะนั้นทาวีระพานอยากจะแสดงขึ้นศาสนาว่ามีอย่างไรมีคติทําอย่างไรยังต้องส่งลูกเศรษฐีคนโดยผูกพษเป็นศาสนาธรรมไปต้าวพุทธเจ้าไปข้าวพุทธเจ้าแล้วลูกเศรคนได้บรรลุเป็นอริยภูยคลแล้วได้นำปัต คำตอบที่พุทธเจ้าตอบเฉลยปัญหาโสตสมาลพมาให้อาจารย์ฟังที่อินเดียภาคใต้ในรูปน้ําโคทาวารีภาวีรพรมถึงบรรลุเป็นอาญาบุคคลเป็นนาคาทมาได้อันนี้แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์เองยังลงมาไม่ถึงอินเดียฝ่ายใต้ในครั้งพุทธกาลพุท ธ, ธาศาสนายังไม่ได้แพร่มาถึงเป็นเพียงแต่กิจศัพท์เล่าลือจากปาพุดพ่อค้าโ ข, า ข, าขาต่างมาต่างที่ไปมาค้าขายระหว่างอินเดียภาคเหนือภาคใต้นั่นเอง แต่ว่าคณะผงฆ์ยังมาไม่ถึงคณะสงฆ์คงจะมาถึงใ น, งนาาสมัยพระเจ้าสุรเรนี่เป็นเหตุผลอ่าในระยะเริ่มแหลงของสัตว์พัที่หนึ่งหลังจากพุทธจารย์ลพานราชวงศ์ของพระเจ้าชาติศัตรูได้บุกครองเมืองปาตรีบุตรเพ่อนมคตสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงรัชการกต่ฝัดกรุงสุดท้ายมีพระนามพระเจ้านาคาสกรบรรดาราศบใ น, พนเพื่อนมคตเบื่อหน่ายว่ากษัตริย์วงนี้เป็นวงปีตุค่าลูกข้าพ่อกันมาลุ่ย เป็นกำกุลความเกลียนข่ากันมาเรื่อยก็เลยเบื่อทำรัชประหารบทพระเจ้ามหากระทาสกตะออกจากราชสมบัติแล้วก็ยกโค่นรัชประหารซึงเป็นขุนพลชื่อว่าอาเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นขุนขุนพลยกขึ้นมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขุนพลคนนี้ตั้งราชวงศ์ใหม่สุสุนาธรมาขุนพลคนนี้จะสุสุนาสุสุนาธรรมด บ้านราชาวงศ์สุสุนาขึ้นราชาวงศ์ในสมัยราชาวงศ์สุสุนานี่แหล ะ, ะมามกษัตริบาคือพระเจ้าสุสุนาสิ้นพระชนแล้วโอรสพระองค์คือพระเจ้าการโสก็เลยเสวยรักตอนนี้จึงเกิดพู้ตียสังขยนาขึ้นผู้ตียสังข ย, ย า, ายน่ะไม่ใช่อื่นไกลยเป็นผลที่เหลือตกท้างมาจากขั้วถังกราณะนั่นเองคือว่าคณะสงฆ์ในศตวรรษี่สอ ง, สองแบ่งเป็นสองตามตามท้องถิ่น คือสงภาคตะวันออกพวกหนึ่งสงภาคตะวันตกพวกหนึ่งสงภาคตะวันออกนะ่ะมีเมืองเวสาลีเป็นใหญ่พวกนี้ที่สุขวิชีบุตรเป็นพวกตะวันออกหมดสงภาคตะวันตกนะ่ะมีเมืองโูเรยนครนบ้านชาบดินครเมืองปาถึงยะเป็นใหญ่มีพวกประยุท์นี่พวกสารน้สัมภูตตาสารนวะสัมภูตตาสารนาวาสีพระเรวตะแบ่งเป็นสองพวกด้ยกันแบ่งเป็นสองพวกเวลานั้นนะ่ะกําลังวิ่งชิง พูดง่ายๆว่าชิงกวางความาฐานะสำคัญที่เป็นผูนน้นําบริหารกิจกรรามศาสนากันอยู่ปัญหาข้อหนึ่งการตีความในยบัญญัติประการที่ท่านนักปูนก็ทราบมีอยู่แล้วนะครับว่าบร ญ, ญัติประการนี่คืออะไรบ้างผมไม่ต้องจะนยัยละก็บรญัติปการนี้ก็ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องฉันเรื่องใช้สอยและเงิไนไม่น้อยท่านจะว่าไปแล้วสมสัยสมัคออกคือพวกเวซารีเห็นว่านี่ขา้าบหมดพวกนี้ควรจะผ่อนผันได้ผ่อนผันได้ ตามแบบท่านกุราณนะเห็นว่าโกนถอนผั น, ผ น, สผนสงผอดตะวันตกก็ยอมบอกไม่ได้ต้องเคารพมติในถ้ำสัตบันเพราะฉะนั้นสงสองพวกนี้ก็แตสะสามัคคีกันอย่างโจงแจ้งคราวนี้ก็มีวิ่งหาเสียงอะไรตอนนี้วิ่งหาเสียงคือวิ่งหาเสีย ง, เ ส, ยงสเสียงที่สาคัญเสียงท่านเลยวัดท่านเลยวัดนะท่านจำพรรษาอยู่ที่อุโทโธตังข้าพรนทศดูตอนนึงเขาไม่น้นําขงคาดเป็นฝ่ายสงผอดตะวันตกแต่ถ้ามีพรรษายุการสูงแล้วก็ พูดง่ายๆว่าชื่อเสียงท่านเป็นที่เคารพของสงฆ์ทั้งสฝ่ายสงฆ์ฝ่ายตะวันออกรีบส่งลูก น, อน้องไปหาเสียงกับท่านลูกน้องก็ลูก น, อนก้กนองสงฆ์ฝ่ายตะวันออกไปถึงน่ะเข้าหน้าท่านไม่ติดต้เข้าไปทางลูกศิษย์กุ้นกูติท่านลูกศิษย์กุ้นกูติท่านน่ะเป็นเป็นพระอุปถัมภ์บีบโน้มให้ท่านอยู่ไปบอกว่าช่วยช่วยไปบอกกับ ท, ท่านอาจารย์ทีเถอะท่านอาจารย์น่ะเวลาพวกสงฆ์ฝ่ายประยุต์เข้ามาหาแล้วก็อย่าไปต้อนรับครับ ทำท่านอาจารย์มาเป็นผู้อํของสงฆฝ่ายตะวันออกและให้ท่านอาจารย์มีมนเดินทางมาที่เมืองเวสาลีมาอยู่เป็นขวัญใจของสงป่ายตะวันออกหน่อยเถอะอลูกสิบก้นกุฏิของท่านเรวัตก็รับคำสงฆ์ฝ่ายเวสาลีพอเข้านานนวดนวดไปก็บอกพระอาจารย์ครับผมเห็นว่าเราควรจะเข้าข้างสงฝ่ายตะนออกดีกว่านะครับท่านเรวัตก็รู้ว่าหมอนี่ยังไงกันนั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้อะไรดีๆจะพวกตะนออกก็มั่งบอกว่าแกลงไปได้เดี๋ยวนี้อย่ามาคนนิบัตรข้าอีกเป็นท้งขาดที่ต่อไนีน่ข้าเป็นฝ่ายทางวาทีข้าสงเคารพทำไอ้พวกที่ย่อหย่อนเทราวินัยเข้าไม่เข้าพวก ด, ด้วยพวกที่เคารพพระวินัยหนักในพระวินัยข้าถึงเอาเป็นพวกพอพยศกับท่านพวกท่านส่า น, นูตากฐนนาวาสีพวกนี้ไปถึงก็ไปชี้แจงแถลงอยู่บนเหตุกับท่านว่าพวกทงกตออกหนาบังอาจยกถอนพระวินัยติดสิบข้อ ถอนข้าวบดสิทธิข้อนี้มันไม่เป็นอบัติถอนขึ้นมาเราจะไหวยังไงท่านเลี้ยงบอกไม่ได้เพล่เราต้องเคารพพรติในที่ธ่านนาคสปะไปตกลงตาไหว้สิทาอย่างนี้ก็ผพด่เพ่ก็เลยรวมกันบอกเราจะแก้อธิกรณ์ในที่ไหนอธิกรณ์ที่เกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นเลยเดินทางมาบริเวณสาลีเป็นขบวนใหญ่สงปฏ์ตะวันตกนะตาเถอยะโสเรยะราชาตินครนี่สามเมืองเป็นเมืองใหญ่เดินทางมา ทางตะวันออกก็มีมงเมาสาดีพวกมีหาพวกนี่เยอะหาเสียงมากถ้าต้องมุนกว่าเป็นพวกมึนกว่ารูปคราวนี้นี่มุนกว่าละบอกว่ า, วาเาละผู้พยศในทางสังขายากนาติวาลุการามเจ็ดร ล, ลูกก็ในม์สังขายานาไปพวกผมมีมากกว่าตั้งมุนเศษเราไปตั้งพระงขยนาแข่งกันเข้าประชันกันเลยเป็นสองกองตั้งสังขายานาสองกองทั้งคขยากนาเขาพูดพิสุ ข, ขสชีบุตรที่ไปตั้งสังขยนาแข่งผู้พยศน่ะเรียกว่ามาหาสังขีติ สังขารนาของสงหูใหญ่พวกพยศ์หมู่น้อยเ0 0ดร้อยลูกไปนี่เป็นการแตกแยกในพระนมณฑลอย่างแจ้งชัดอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบสองเรื่องการตีความภาวินัยว่าควรถอนไม่ควรถอนอย่างนี้เป็นรอบสองหลังแต่นั่นมาคณะสงฆ์ก็แจก แตกนิกายออกไปจากเทโลวะทีแยกนิกายออกไปจากมหาสังขิกะวะทีคือพวกพิสุทธิมือนก ว, กว่าในวันนี้กายมหาสังขิกะวะนิกายสงหมู่ใหญ่ก็ แ, แยกนิกายออกไปมากมายเบ็ดเร็จหลังจากพระเจ้าลีพานจะทั่งถึงสมัยพระเจ้าโสกสามปีเศษคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น18นิกายหรือ18คณะในครัม้มคตแบ่งเป็น18นิกายด้วยกันแยกลูกแจกหลานออกจากสองพวกนี้ออกไปนในวันนี้ก็บัญญาตเชียงแค่นี้นะแค่สินิกายก่อ ขาจบที่นัีน่ก่อนอ๋อถามว่าอรหน ร, รือเปล่าไม่ไม่พบผีมาที่ไปเหมือนกันบ่าท่านผนี้จะเป็นอรหันหรือเปล่าแล้วก็สงสัยชื่อนี้ก็ไม่เคยพบที่ไหนเลยนอกจากที่แห่งนี้แห่งเดียวว่าภูรณะในจุลาวัตรวิวนัยพิดกในจุฬาวัตรว่วาท่านก็ภุรณะจะเป็นองค์เดียวก็ทำพุญ น, หนาหรือไม่ถ้าเป็นองค์เดียวก็ทำบุญ น, นาเราต้องเป็นอรหรันพุญนะมันตานี้บุตรอะถึงเป็นเป็นเอตทัตข้าในทางธรรมะกรถือเหมือนกัน สัพุนาปะมันตามีบุตรเขไม่ใช่สิครับไม่ใช่ผมตามความเข้าใจของผมนะไม่ใช่องค์เดียวกันนะตัมความเข้าใจของผมอย่าถูกผิดไม่ทราบนะครับไม่ใช่องค์เดียวกันหลักฐานประวัติสัพพุนาไม่มีเลยไม่มีเลยอารย์ท า, ก, ทาก็ไม่แกไ้ไขเลยเป็นใครมาแต่ไหนแต่ว่าสังเกตดูเป็นผู้มีอิทธิพลมากอยู่มีอิทธิพลขนาดพระม้า ก, กระศบเกรงใจขนาดพระมา้ะมา ก, กระศบต้องต้องมาบอกแจ้งให้ทราบว่าพวกท่านนะ่ะทําทางการนาเสร็จแล้ว ไสสารปรานะรับรู้อนุโมทนาด้วยถ้าเป็นค้าพเจ้าผูน้น้อยธนกสุธรรม จ, จะต้องมาบอกกระเร้นี่อันนี้สําคัญมาก่ท่านสมุตโตภิกขุถามมาว่าอาตมาขอเรียนถามพระมีความข้องใจทําไมพระมหายาณนิกายมหายานต้องสร้างโบสถ์หันหน้าพระพุทธรูปลงไปทางทิศ ท, ที่มีแม่น้ําเป็นเหตุหนึ่งมาจากเหตุใรถึงเป็นเช่นนั้นไม่จริงละครไม่จริงเลยที่ว่าต้องสร้างโบสถ์พระพุทธรูปนั้นไป็นไม่แม่น้ํา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 อูรูปเวลากัสปานาทีกัสปาขยะกัสปาแล้วนะครับเนี่ยเข้าไปสักพันกว่าแล้วพันกว่ารูปแล้วพันกว่าเขาอูรูปเวลากัสปาตั้งห้าร้อยปลาเข้าไปห้าร้อยแล้วนี่นี่แล้วก็ลูกน้องท่านอสองคนอีกห้ารอยเป็นเสร็จเป็นพันหนึ่งรูนั้นท่านทั้งสาึ่งเป็นหัวหน้าคณะสามคนที่น้องเป็นพันสามหนึ่พงพงันสามคนแล้วก็พวกพยศอีกเพื่อนฝูงพยศอีกหสิตลูกแล้วก็พวกกุมารพวกกุมารที่ติดตามหา ผู้หญิงสูงไปนี้ไม่พบแล้วผู้ติจาบวเสียที่ื่อพันษาแรกน่ะอีกพวกหนึ่งรวมหมดเบเซเป็นหนึ่งน้ห้าิบนะาลเฉี่ยพวกคือว่าหลงจากสามพวกนี้แล้วเก็บกพวกที่หมุนล่าเครื่ อ, อีกทั้งหมดีิครับในพรรษาแรกถึงน่าไปถึงก็จริงนะครับแต่ว่าเก็บตกที่บูที่หมุนล่าเครื่ย อ, อื่นๆอีก คือจะไปแกะเราจะไปจริญนายบอกว่าทุกๆองค์นี้ตรงนี้เขาทำจํานวนนี้ประวัติมาอย่างไรไม่ได้เลยครับมันเป็นอันหกษัตรย์ะอันนี้ว่าส่วนใหญ่นะมาจากนี่มาจากท่านเหล่านี้หนึ่งพันสองร้อห้าสิบนะส่วนใหญ่มาจากพวกพยศส่วนใหญ่มาจากพวกกุมาร30สิคนที่ตามหาผู้หญิงแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากบริวารท่าุลูกเวลากับสปะพวกหนึ่งนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาจากพวกที่พรมุราจะเคลื่พวกสาริบุตรพวกพวกุหลาณนะอีกพวกหนึ่งรวมกัน รวมกันครับคงรานคือบริวารท่านกุลิตาเกะอุปฏิสาไงฮะมารวมกันสิครับบริวารกริตาเกะอุปติสาเนี่ยที่มเมื่อราชคฤอ์ท้าสมัยถามมาว่าอาตามาคิดว่าพระพุทธเจ้ า, จายังทรงพระชนอยู่คงจะบัญญัติว่าพิสุนั่งรถเมย์ต้องปาจิตตีพิสุเครื่องเครื่องเครื่องเครื่องบินต้องทุบกดหรือพิสุออกนอกอาว่า กออวกาศออ ก, อ, อ, ก, อ, อ, ก, อ, อ, กอะไรฮะออกน ok, อกอวกาศต้องทุพพาสิทธิ์หรืออาจารย์เห็นว่าอย่างไรตอนท่านในหนังสือธรรมบทโดยมากก่อนจบธรรมเทศนาปรากฏว่าพรู้ชนาะบรรลุกันเป็นจำนวนมากแม้เทวดาก็บรรลุเป็นโกดโกดคิดแล้วไม่น่าเชื่ออ่าเรื่องโกดโกดี้ผมได้เรียนแล้วไงครับบอกว่าเป็นอนเนกกระสังขยาเราจะไปตัดสินถือความตามจํานวนเลขไปได้แล้วครับเอาความมามากเท่านั้นเอง เขาว่าแสนกดปดหมื่นสี่พันห้อี่แปลว่ามากแปลว่ามากแต่คําพูดชนิดนี้ในข้างรุตการ์เขาเข้าใจกันเขาคนข้างรุตการ์ไม่ได้ถือตามตัวเลขอย่างมาพูดกันทุกวันนี้หรอกเขาเข้าใจเป็นอีเดียมเขาเรียกเป็นํานวนเพราะหลังเรียกว่าอีเดียมคือสํานวนที่พูดกันแล้วคนข้างนั้นเข้าใจความหมายแต่คนข้างเราห่างห่างสมัยท่านตั้ง 2,500 กว่าปีเราก็ไม่เข้าใจนึกว่าจะต้องลงตัวเลขจริงๆไม่ใช่ สำหรับพระเจ้าจะบัญญัติเรื่องนั่นมุสมีเป็นอาบัตรหรือขี่เครื่งบินในอาบัตรหรือไม่นะ่ะผมนึกว่าคงไม่บัญญัติเพราะพระเจ้าบัญญัติสิขาวหมดนะ่ะดูกาลา ร, รูดูเทสาเหมือนกันถ้าพระองค์ทรงประชนชีพถึงบัตดนี้อยู่ความจําเป็นการคมนาคมมีอยู่พระองค์ต้องผ่อนผันตามกาลานุการครับอันนี้ต้องผ่อนผันครับคือว่าวินสิขาวหมดอันใดถ้าไม่ไม่เป็นโลกวัตชะหนึ่งไม่เป็นเหตุให้เสียคุณสมบัติทางใจหนึ่ง อย่างนี้แล้วก็ทรงอนุโลมตามกาลเทศะได้อนุโลมได้ไม่งั้นพระองค์จะประทานทุกทานอานุญาตไปหรือเพรว่าในการที่เราร่วงไปให้สงขอนสขาบทเล็กน้อยได้หากต้องการนี่แปลว่าทรงเล็งการไกลแล้วว่าการเหตุกลางโลกต้องเปลี่ยนแปลงไปยังไรบ้างเพราะในวินัยเล็กเล็กน้อยๆที่เกี่ยวกับารอุปโภคบริโภคการคมนาคมเครื่องนุ่งหม่มก็ต้องเปลี่ยนแปไปตามการอย่างพระเถร ว, วาดเราทุกวันนี้จะใช่ว่าจะสามารถรักษาจารีตของเก่าได้ครบเมื่อไร แล้ก็รักษาไม่ได้สิ่งใ น, นที่เรารักษากันได้ยังพี่ถุกก็คือว่าเครื่องลูกห่มเนี่ยเครื่องลูกห่มที่เราห่มกันทุกวันนี้นะฮะไตรจีวรเนี่ยถ้าเขาตั้งมีใครมาถามแบบว่าเครื่องุ่งห่มประเภทใดบ้างที่มีอายุยืนที่สุดในโลกไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงคือไตรจีวอนี่แหละไม่เคยเปลี่ยนแปลงเย 2, ลยสองพันห้กว่าปียังไงก็อย่างนั้นเป็นสไตล์แบบแบบเสื้อที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไม่แบบไหนเก่าแก่เท่า แบบก็เปลี่ยนหมดแล้วทมงยัง ง, ง, สสงูนบงังทรงสาโกนบังทรงราชประการบังทรงรอมพ่อบงับงทรงอะไต่างๆร้อยแแม้กระทั่งทงผมทรงผมพุทธเจา้าไม่เคยเปลี่ยนโกนตะพืชโซนโกนตะพืชไม่เคยเปลี่ยนยังไงก็อย่างา ง, งาั้นผมอ้ามาว่าวีไม่เปลี่ยนเครื่องแบบพุทธเจา้าก็ไม่เคยเปลี่ยนสามสือนกนตะพืชมัน ไ, ไม่เปลี่ยนเลยสีก็ไม่ต้องไปยอมสีอื่นสีเหลืองตะพืชไม่มีเปลี่ยนอันนี้แหละเราเายืนยันได้อันนี้นะ ไอ้ยอย่างอื่เราก็เปลี่ยนไม่ใช่ไม่เปลี่ยนเห็นระหว่างทุกวันนี้่เราก็เปลี่ยนไปตามก า, รราลเวกาอย่าไปว่ามาหายาณเขเปลี่ยนไม่ได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ย น, เ, ยนเราก็เปลี่ยนแปลงไปไปตามอท่านพระสุธโธจะพึงกล่าวถามว่าพระมาลายเป็นอรหันหรือไม่ดูเหมือนไม่ปรากฏในสาวกหรือนังถือพุทธประวัติก็แน่สิครับพรนะมาลายน่ะไม่ใช่เป็นพระอรหันข้างพุท ธ, ธกาลแต่เป็นอรหันชาวลังกาหลังพุทธกาลหลายร้อยปีท่านพรมาลายนะ เมื่อพุทธบริกท่านสุดที่เดโชว์พิกขุ่ถามมาว่าเมื่อพุทธบัลลิพผานแล้วแต่ที่อาจารย์ว่ามหากัจจายนะยังอยู่แต่ทำไมจึงไม่กล่าวถึงก็มหากัจจายนะเลยข่าวสังขยานานั้นก็เพราะเหตุที่ผมว่าคงจะมาไม่ทันประชุมการคมนาคมห่างไกลมากท่านอุเชนีกับกับราชาครึในครั้งนั้นเหมือนกับทุกวันนี้ประเทศไทยกับอเมริกา ทางไกลมากความรู้สึกคนในครั้งนั้นคกล้อยู่คุณภาพโลกกว่าได้ทางไกลกันลึกเกินเป็นถือว่าเป็นปัจจัยมาชนบทนะ่ะถ้าจะว่าไปแล้วเพราะนั้นพระโสนะไงละ่ะพระโสนะอยากจะบวชรอพระครบองสง์สิทธิ์ลูกยังรอไม่ได้ตายจริงรอแล้วรอเป็นปีๆรอสั่งหลายปีหาพระคุบสิทลูกในอวันทีชนบทไม่ได้กระทั่งมีพุทธทางอนุญาตอนุญาตว่าทำในปัจจัยมาชนหมดแล้วห้าลูกก็บวชกันได้พ่อนลงมาก็พระโสนะเป็นเหตุสิแหละ แล้วพระสงฆนั่นี่แหละอุปชาผู้ท่านคือพระมหากัจจายนะฟังไหวมาเดินทางไปเฝ้าผู้ติดเจ้าแล้วให้ทูลของ ท, อท่านอนุญาตให้ลดยอดสินค้าหมดเกี่ยวกับจำนวนองค์สง์เวลาจะบวชให้ลดน้อยลงเพราะหาพระในแค่นวันตียากเหลือเกินนี่แสดงว่าการคมนาคมห่างไกลกันมากในครั้งนั้นแต่พระมหากัจจานะยังอยู่ที่รั่วยังอยู่นะเพรามีพระสูตรสูตรหนึ่งในมนชมณิกายพระเจ้าคุงอวันตีฟังธรรมพระมหากัจจายนะแล้วเลื่อมใส ขอถึงพระมา้ากัจจยนะเป็นสรณะท่านกล่าวว่าอย่าถึงอัตมาเป็นสรณะเลยจงถึงพระผู้มีพรภาคพระองค์นั้นเป็นสนนะเถิดพระเจ้าจุงอวันตีถามว่าพระผู้มีภาคบัดนั้นบัดนี้ประทับอยู่ที่ไหนพระม้าอัจจยนะตอบว่าพระองค์ได้ดับขันทัศริยมีพานแล้วนี่จากสูตรเนี้ในในดูไม่เช่นไปมัทุวปินติกาสูตรนะถ้าผมจาไม่ผิดด่าน จ, จะข้าม ข, ขึ้นก็ด่าน เอหมายเลขนับสิบเอ็ดถามมาว่าพระเคี่ยวแก้วเมืองลังกาถูกพวกรมันคาทอลิกเอาครกตําหวานไปหมดแล้วแล้วส่วนที่มีปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ที่เมืองลังกาเขาจําลองขึ้นหรือขอให้แก้ขอสงสัยด้วยของจริงครับไม่ใช่ของจําลองไอข้ไอของไอ้ที่ถูกตําป็นไอ้ของเก้พระเคี่ยวแก้วมีหลายองค์ชาวพุทธลังกาเขารู้ว่าภัยมีมาเขาทราบพระเคี่ยวแกวปรองไม่สารองหลายองค์เหมือกันองจริงอันนี้ไปทุกซ่อนไว้ในมาลายชนบทภาคกลางเนี่ย ของประเทศลังกาองเกสทุกแอฟริกาตอนมันเอาไปมันนึกว่าของจริงมาเอาไปตําเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่อยู่ในเกาะลังกาเป็นของจริงท่านปัตถุโยภิกขุถามมาว่ามนุษย์หรือสัตว์อื่นก็ตามที่จุดจุติแล้วจะต้องปฏิสนธิติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นถ้าสัตว์เหล่านั้นสร้างบุญประเภทศม ห, มหาบุญสนุบีบาาที่จะส่งไปให้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าตาในเวลากลางวัน สมมติว่าในขณะตายนั้นไม่มีมนุษย์จะเสพตามกันถ้าจะไปเกิดเป็นอะไรอาตมาได้ยินอาจารย์บางท่านบอกว่าต้องไปเกิดเป็นโอปาติกะก่อนจริงไหมขอฟังเหตุผลโอปาติกะน่ะก็หมายก็ว่าเกิดแล้วแต่ที่ท่านบอกว่าไม่ไม่มีมนุษย์เสพกันเสพตามกันในขณะที่ตายนั้นน่ะเป็นข้อที่ท่านสมมตินี่ครับข้อเท็จจริงก็เราก็ประมาณไม่ได้ว่ามนุษย์ในโลกนั้งเกิดสามพันล้านเนี่ยทีย่ไม่มีซะบ้างเชียวหรือ ถ้าไม่มีมนุษย์ในชมูทวีปก็ต้องมีมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปสิน่าอุตรากุรุเอ๋ยบุพวิเทบุภวิเทห์หาเอ๋ยอัประโคยานเอ๋ยสามทวีปนี้ยังมีมนุษย์อยู่นี่นีชมพูทวีปนีมีเขไปเกิดในทวีปอื่นมีจนได้อย่างก้เลยครับข้อ 2. เหตุที่พระมหาจับตกแบบอาบัตดแกพระอนุนูไม่มีความผิดในบางข้อเช่นในทุนิพพากดาเสด็จอยู่ถึงกับหนึ่งเป็นต้นดูไม่ไม่เห็นจะมีความผิด ภาที่ข่าประชุมครั้งนั้นเป็นจํานวนถึง499องค์เป็นอาหารหันต์ทั้งสิ้นไม่น่าจะตั้งข้อรังเกียจที่มีความผิดแก่พระอานุ์ข้อนี้เป็นประโยชน์ในทางปกครองพระมาหาตริย์ท่านป้องการสร้างตัวอย่างในทางเด็ดขาดในที่ปกครองคือท่านท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านมหากัตริยเนี่ยเป็นพระเถระที่เข่งขัดในทูลุงขวัตที่สุดอาบัตเล็กๆกน้อยๆท่าไม่ไม่ยอมให้ข้ามเลยไม่ให้ข้ามเล็กน้อยๆท่า น, นไม่มองข้ามแข่งขัดที่สุด แม้กระทั่งพุทธเจ้าขอร้องว่ากษัตรปะเธอก็แก่เท่าชร า, าแล้วล่วงการผ่านวัแล้วอย่าเลยทูดงขวัตเนี่ยพระพฤทธเจ้าจงรับข้าราชกาดีจีวรเถอะเมื่อเวลาเกิดหน้าฝนจงเข้าสี่มุงบาง้านเถอะจงรับบินทบาทข้าราชกาดีนิมนฉันตามบ้านทั้งเถอะธรรมะกระสุดยังไม่ทําตามที่พุทธเจ้าขอร้องขอท่านจะทําท่านอย่างนี้แหละพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเห็นประโยชน์อะไรที่เธอจะดึงดันจะทําอย่างนี้อ พระมาสุาบอกว่าเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่พระสงฆ์หนุ่มๆว่าคนแก่อย่างข้าพุทธเจ้ายังทําได้และหนุ่มๆนี่ยเขาจะทําไม่ได้ให้เป็นตัวอย่างแก่ปัจจิดมาชนาตาชนพุทธเจ้า ก, ก็อนุโมทนาบอกดีแล้วสาธุดีละกัสปะเนี่ยอนุโมทนาพระมาสุเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองไม่เห็นเป็นความผิดนะท่านมาสุท่านเป็นคนคิดละเอียดเอาบัตรเล็กๆท่านเลยมองข้าละเอียดทียึดหมดเพราะฉะนั้นท่านมาเอาผิดทางนนทจนได้ ทำหลักเอาเป็นตัวอย่างว่าคณะผ้าละหันยังต้องอาบัตย่าป่วยกล่าวปยัยกับภาคประชาชนถ้าหาว่าที่ประชุมประกาอาบัตแล้วยังคืนดื้อดนันต่อคัดคา้านคาสั่งพระเถระคัดค้านมาติที่ประชุมสงฆ์อย่างนี้จะใช้ได้ที่ไหนทำเป็นตัวอย่างเพราะเห็นสุภัทาเป็นตัวอย่างเล่สุภัทธาบุดเมื่อพายแก่ผู้เฒ่าสุภัทธาคนนี้น่ะเดินเป็นข่าง ก, บกบับทกับทบุดทั้งพ่อทั้งลูกพ่อก็เป็นช่างผมลูกก็เป็นช่างผมบุด บุรุาอาชีพไม่ยอมทิ้งเก็บเอามีดโกนเอวยันใจเอวยเก็บไว้หมดแล้วก็ทำนี้บุลแล้วนะยังเป็นเี้ารับจ้างเขาตัดผมคนหัวในเขาผูเจารุเขาต้อมาติเดเพียงได้ทำหมูค้าบุรุษท่านนี้มีตัวอย่างที่ไหนอ่ะมีอย่างว่าบุรุแล้วไปทิ้งอาชีพคนละหัดยังยึดอาชีพคนละหัดอยู่สุภัทรก็ผูกอาฆาตภาษาสะดาหาว่าผู้จารุมาจู่จี้จัานชายแกเขจะทาอะไรไม่เป็นอิสระ พอพุทธเจ้านิพพานกันซงอุทานวอดดีแล้วนิพพานแล้วก็ดีแล้วเราขอบันนี้ทำอะไรตามใจ ม, มีใครมาบัญญัติว่านี้ควร น, นี่ไม่ควรกับเราพระม้ากระสุบจิงได้สติว่าโอ้ยังไม่ทันไรอะไรเกิดไอ้วาทภาแบบนี้เป็นเสีย น, น้ำต่อพระสาสนาขึ้นเพราะฉะนั้นการปรับทางว่าท่านนจึงเท่ากับว่าบ้องการทําทําให้มีอํานาจในทางปกครองแต่เห็นการปกครองจะต้องอํานาาไม่ใช่ว่าเป็นการตรุงใจหาเหตุไม่ใช่อางนั้นถ้าเป็นอรหันต์แรกนะครับ